บทที่สามสิบเจ็ดกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่พระมหาเถรัถวายพระพรต่อไปว่าเรื่องกรรมยิ่งว่าไปดูเหมือนยิ่งสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ แต่ขอให้พระองค์ทรงทบทวนถึงถ้อยคำที่อาตมาภาพทูลมาแล้วเป็นต้นว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ยากเกินไปจนถึงกับตรองตามแล้วไม่อาจเข้าใจได้กรรมดีหรือกรรมชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้กระทาอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวบุคคลมองไม่เห็นกรรมนั้นก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืด ดูดบุคคลมองไม่เห็นเงาตนเองในที่มืดมิดเมื่อใดถูกแสงสว่างเขาจะมองเห็นเงาของตนทุกครั้งไปทํานองเดียวกันบุคคลที่ได้รับการอบรมใจให้สงบสะอาดสว่างขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประนีดขึ้นเท่านั้นแต่เนื่องจากโดย ท, ทั่วไปแล้วกรรมจะให้ผลต่อเมื่อสุขงอมเต็มที่ มีระยะฟักตัวตามสมควรบุคคลจึงเห็นได้ยากชีวิตมนุษย์สั้นเกินไปไม่พอแก่การพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้หากบุคคลทำกรรมแล้วให้ผลประจักษ์ในทันทีทันใดใครเล่าจะประกอบกรรมชั่วแต่มันคอยเวลาคอยโอกาสมีระยะฟักตัวเพื่อความสุขงอมเต็มที่ประดุษนารีบุรุษผู้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว ต่อมาอีกสามสี่เดือนมารดาบิดาและหมู่ญาติจึงเห็นสตรีนั้นมีคันมิใช่ว่าสตรีนั้นตั้งคันในราตรีแล้วรุ่งขึ้นคันจะปรากฏแก่คนทั้งหลายและเธอตั้งคันในคืนนั้นแล้วรุ่งขึ้นก็คลอดหาไม่ได้สตรีย่อมคลอดบุตรเมื่อถึงเวลาสมควรฉันใดกรรมต่างๆที่บุคคลกระทำไว้ให้ผลิดผลต่อเมื่อสุขงอมเต็มที่ ได้เวลาอันเหมาะสมฉันนั้นและการรอคอยของกรรมนั้นก็ใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีแม้รอคอยอยู่ก็นานปานนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากมายปานใดกรรมก็สามารถหาตัวบุคคลผู้ทําได้ถูกต้องเสมอเมื่อลูกโคแม้จะรวมอยู่ในฝูงโคเป็นอันมากก็สามารถหาแม่ของมันพบ ดังนั้นบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเช่นกันการที่บุคคลยังลังเลสงสัยในเรื่องนี้ก็เพราะไปตัดสินเอาตามปรากฏการบางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมายาและหลอกลอนอัตรมาภาพขอถวายตัวอย่างเล็กน้อย สมมุติว่าบุคคลผู้หนึ่งได้เห็นข้า บ, บดีหรือบุตรข้า บ, บดีนั่งรถเทีย ม, ม้าอันสวยงามมีบริวารแวดล้อมล้วนเป็นสตรีที่โสภาประดุดอับซรสวรรค์บุคคลผู้นั้นย่อมตัดสินเอาตามสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นเองว่าก้า บ, บดีหรือบุตรของก้า บ, บดีผู้นั้นน่าจะมีความสุขเ อ, อิบอิ่มอย่างยิ่งแต่ความจริงในขณะนั้น ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีอาจมีความทุกข์มนไห้อย่างมากก็ได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมิใช่จะตรงกับความเป็นจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วไว้มากความชั่วจะคอยรบ ก, กวนจิตใจให้เขากังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏกับคนอื่นให้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขแต่ภายในจิตใจของเขาเองเล่าใครเป็นผู้รู้ว่ามีความสุข ทุกอันใดทับถมอยู่บ้างอันหนึ่งบุคคลที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นเขาได้เคยสํารวจบ้างหรือไม่ว่าเขาทำดีถึงขนาดที่พอจะรับผลดีที่เขาต้องการแล้วหรือหรือว่าเขาทำดีเพียงเล็กๆน้อยๆและต้องการให้ความดีมีมากๆหรือเปล่าเขาทำความดีถูกต้องหรือไม่เขาอาจทำดีอย่างผิดๆก็ได้ จึงปรากฏให้เห็นว่าทำดีเหมือนไม่ได้ดีหรือบางทีอาจใจร้อนเกินไปจนไม่อาจรอคอยผลได้จึงโวยวายร่ำร้องนาน า, นาประการการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีแต่การให้ผลดีนั้นเป็นหน้าที่ของกรรม บุคคลไม่อาจเร่งเร้าได้เหมือนการไถ่ราดและหวานเป็นหน้าที่ของชาวนาการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวชาวนาจะอ้อนวอนเร่งเร้าปานใดต้นข้าวก็ไม่อาจออกรวงได้เมื่อยังไม่ถึงเวลาในเรื่องชาวสวนปลูกต้นไม้ทำนองเดียวกันบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น จะอ้อนวอนบิดเพรียวโดยประการใดๆหาได้ไม่ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคองบุคคลอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรนี้แต่บุคคลไม่ได้สดับย์ธรรมก็ไม่ทราบถึงความจริงข้อนี้จึงเข้าใจเขว้ไปว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลอะไร คนทำความชั่วได้ดีมีสุขก็มากมายการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวแลลกว่างไกลจึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดพระคุณเจ้ากรรมดีกรรมชั่วลบล้างกันได้หรือไม่พระเจ้าอาโศกตรัสถามขอถวายพระพรพระมหาเถระทูลตอบจะพูดว่าลบล้างจะฟังยากไป แต่ถ้าพูดว่าละลายน่าจะฟังง่ายขึ้นคือความดีสามารถละลายความชั่วให้จางหายได้อุปมาพระองค์ให้ราชบุรุษนำเกลือมากำมือหนึ่งใส่ลงไปในอ่างน้ําเล็กๆ เ, เมื่อเกลือละลายในอ่างน้ําเล็กนั้นก็จะเค็มหรือไม่ต้องเค็มพระคุณเจ้าแล้วพระองค์นำเกลือจํานวนนั้นไปใส่ภาชนะที่ใหญ่มาก แล้วค่อยๆเติมน้ําลงไปทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่เพิ่มเกลือความเค็มจะลดลงหรือไม่ต้องจางลงพระคุณเจ้าและหากเพิ่มน้ําลงไปเรื่อยๆจนจํานวนน้ํามากเหลือเกินความเค็มจะหมดไปหรือไม่หมดไปอย่างแน่นอนพระเจ้าอโศกตอบเกลือหายไปไหนเสีย ยังอยู่ในนั้นเองพระคุณเจ้าทำนองเดียวกันพระมหาเถรัถวายพระพรต่อกรรมชั่วที่บุคคลทาแล้วย่อมละลายได้ด้วยกรรมดีให้มันอยู่ในสภาพที่มีเหมือนไม่มีซึ่งท่านเรียกว่าอโภโหหาริกในเรื่องกรรมดีก็เช่นกันอาจถูกกรรมชั่วละลายได้หากกรรมชั่วมีปริมาณมากพอ ขอพระคุณเจ้าจงยกตัวอย่างเหมือนก้อนน้ำตาลกับน้ำมีวิธีละลายเมื่อเอาน้ำละลายเกลือนั้นเหมือนกันบุญบาปที่บุคคลทำแล้วเมื่ อ, อยังไม่ให้ผลบุญบาปนั้นไปอยู่ที่ใดพระเจ้าอาโศกตรัสถามมหาบ่อพีบุญบาปนั้นคอยติดตามผู้ทาอยู่พระเถรรัถวายวิสัชนา แต่มองไม่เห็นเลยพระคุณเจ้าพระเถระมองผ่านช่องพระแกลไปพระเจ้าอโศกทอดพระเนตรตามพระเถระทูลถามว่าพระองค์เห็นมะม่วงต้นนั้นไหมข้าพเจ้าเห็นอยู่ทุกวันพระคุณเจ้าเวลานี้มันมีผลหรือไม่เวลานี้ไม่มีข้าพเจ้าจำได้ว่ามันเคยมีมาครั้งหนึ่งแล้วและหมดไปแล้ว ปีหน้าเมื่อถึงฤดูมีผลมันคงจะมีเวลานี้ผลของมันจะมีในปีหน้านั้นอยู่เสี้ที่ไหนพระเจ้าอโศกขอถวายพระพรเรื่องต้นมะม่วงกับผลมะม่วงฉันใดเรื่องพูดธรรมกับกรรมก็ฉันนั้นกรรมจะให้ผลต่อเมื่อถึงคราวถึงสมัยและเมื่อมันสุกงอมเต็มที่เท่านั้น กรรมดีวหรือกรรมชั่วไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวแต่จะส่งผลอยู่เสมอๆจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของแรงของมันเหมือนมะม่วงของพระองค์ให้ผลทุกปีจนกว่าต้นมันจะแก่ล้มตายไปในที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะหยุดให้ผลกรรมจะหยุดให้ด้วยเหตุสามประการคือ 1. หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วจึงหยุดให้ผล เหมือนพระองค์จับโจรได้แล้วกําหนดโทษจําคุกสองปีเมื่อพน้นสองปีถ้าเขาไม่ทําความผิดซ้ําก็เป็นอันพ้นโทษได้รับเสรีภาพเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายหากบางคนทําชั่วรุนแรงมากพระองค์ทรงกาหนดโทษสูงขึ้นและหากในระหว่างที่ถูกจองจํานั้นเขาได้ตั้งใจทําความดีทุกอย่างพระองค์ก็จะลดโทษผ่อนโทษลง ถ้าโทษจำคุก20ปีก็อาจลดเหลือ15ปีหรือ10ปีแล้วแต่กรณีเรื่องของกรรมก็ทำนองนี้ 2. บุคคลผู้เคยทำกรรมมาได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์สิ้นอาสวะทั้งปวงไม่เกิดในภพใหม่อีกมีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดท้ายกรรมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไป วิญญาณของผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์หมดเชือ้อเหมือนมเมล็ดพืชซึ่งสิ้นยางเหนียวหรือเป็นมเมล็ดรีบปลูกไม่ขึ้นอีกต่อไปกรรมจะให้ผลได้ก็เฉพาะเวลาที่ยังมีชีพอยู่ในชาติสุดท้ายนั้นพระอารันตะขีนาศเป็นผู้ได้ทำความดีถึงที่สุดจึงเป็นจําพวกบุคคลที่ดีที่สุดเหมือนมเมล็ดพืชที่ดีที่สุด ข้าพเจ้าไม่ค่อยเข้าใจอุปมาของพระคุณเจ้านักพระเจ้าอาโศกตรัสขอถวายพระพรผลมะม่วงที่ดีนั้นมเมล็ดใหญ่เนื้อน้อยหรือมเมล็ดหรือมเมล็ดเล็กเนื้อมากต้องมเมล็ดเล็กเนื้อมากพระคุณเจ้ามะม่วงที่ดีที่สุดคือถึงขีดแห่งความเจริญเต็มที่เนื้อมากที่สุด มเมล็ดรีบใช่ไหมแล ะ, มะเมล็ดรีบนั้นจะนำไปปลูกไม่ขึ้นอีกไม่ว่าในที่ดินอันสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยเพียงใดก็ตามใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าคนก็ทำนองเดียวกันพระเถระกล่าวเมื่อจเจริญด้วยคุณธรรมอย่างเต็มที่ถึงขีดสุดก็พรั่งพร้อมไปด้วยความดีมัง่งคั่งร่ำรวยดี ปราศจากกิเลสหรือสิ่งชั่วต่างๆเหมือนมเมล็ดพืชซึ่งอุดมไปด้วยเนื้อไม่เกิดอีกในพบใดๆเมื่อไม่เกิดอีกกรรมก็ไม่มีอำนาจตามให้ผลได้ก็เป็นอันหยุดไปอีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุรุษหรือสตรีวิ่งหนีสุนักและเขาสามารถว่ายข้าแม่น้ำไปสู่ฝั่งโน้นได้ เหลือวิสัยสุนัขที่จะวิ่งตามมันจึงนั่งคอยอยู่ริมตะลิ่งฝั่งนี้หากบุรุษสตรีผู้นั้นไม่กลับมาอีกสุนัข ก, ก็จะตายไปเองกรรมกับบุคคลก็ทํานองเดียวกันเมื่อบุคคลถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วกรรมก็ตามไม่ได้อีก 3. กรรมจะหยุดให้ผลเมื่อมีกรรมอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเป็นครั้งคราวหรือ กรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ผลก่อนแล้วกรรมชั่วจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมดีแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมดีให้ผลก่อนนี่หมายเฉพาะที่เร่งด่วนและจำเป็นเท่านั้นโดยปกติเมื่อกรรมอย่างหนึ่งให้ผลอยู่กรรมอื่นๆก็จะรอคอย เวลานี้มหาบอกพิษประทับรับสั่งอยู่กับอาตมภาพหากมีรัชกิจอันใดที่รีบด่วนนักราชบุรุษเสนาบดีมหาอมาตย์จะต้องรอรัชกิจนั้นไว้ก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต่อเมื่ออาตมภาพกลับไปแล้วแต่หากรัชกิจรีบด่วนเช่นมีกองทัพจากแคว้นมหาอำนาจยกมาเพื่อโจมตีแคว้นมคต เสนาบดีจะต้องนำความกราบบังคมทูลทันทีการประทับรับสั่งกับอัตมาภาพยังต้องหยุดพักไว้ก่อนอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกต้องทีเดียวพระคุณเจ้าขอถวายพระพรเรื่องกรรมหยุดให้ผลชั่วคราวก็ทำนองเดียวกันนี้ด้วยเหตุนี้พระมหาเถรากล่าวต่อไป จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจหรือเห็นกรรมโดยตลอดในช่วงชีวิตช่วงเดียวเสมือนข้าราชการและพระองค์เจ้าทำราชการเพียงวันเดียวจะเป็นเหตุสุดวิสัยให้รอบรู้เรื่องราวราชการอันเขาทำกันมาแล้วอย่างไรได้ในวันก่อนในเดือนก่อนปีก่อนเคยมีใครเข้าใครออกมาแล้วเท่าไหร่ ฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมกับทฤษฎีการเกิดใหม่จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรรมได้โดยตลอดก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทฤษฎีการเกิดใหม่เมื่อมีการเกิดใหม่ก็ต้องมีสาวไปหากรรมดีกรรมชั่วในอดีตมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ศาสดาของพระคุณเจ้ายอมรับอย่างแน่นอนหรือว่าบุคคลตายแล้วจะเกิดอี หลักพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าพระเถระตอบบุคคลผู้ยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดอีกเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดอีกอะไรเล่าคือเหตุปัจจัยกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้ออยู่ในจิตนั่นเองคือเหตุปัจจัยพระพระพุทธองค์ตรัสกับพระ อ, อ น, น์พุทธนุชาว่ากรรมเหมือนเนื้อหาวิญญาณเหมือนพืชตัณหาเหมือนอยางในน้าพืช เมื่ อ, อยางในพืชมีอยู่นำมาปลูกมีน้ำมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงจนพืชเจริญเติบโตขึ้นมาอีกเมื่อบุคคลตายแล้วเกิดอีกความรู้ความฉลาดหรือประสบการณ์ต่างๆที่เคยสั่งสมไว้หายไปไหนหมดทำไมเมื่อเกิดใหม่จึงต้องเรียนกันใหม่พระเจ้าอโศกตรัสถามทรงแย้มน้อ ย, อยมเมล็ดพืชเป็นต้นว่ามะม่วงที่พระองค์นาลงปลูกนั้น พระองค์ทรงเชื่อหรือไม่ว่ามาจากต้นใหญ่เชื่อพระคุณเจ้าเมื่อปลูกทำไมจึงไม่เจริญเติบโตในวันเดียวทำไมจึงต้องรดน้ำพลวนดินทนุถนอมกันใหม่พระเถระย้อนถามพระเจ้าอสศกอย่างไรก็ตามพระเถระวิสัชนาต่อคุณสมบัติแห่งพืชนั้นยังคงเหมือนพืชต้นก่อน ได้เคยสั่งสมรถหวานของมันอย่างไรมันก็คงมีคุณสมบัติอย่างนั้นทำนองเดียวกันกันกบบารมีหรืออสวะทที่บุคคลสั่งสมไว้ในจิตใจของเขาคงเป็นคุณสมบัติของเขาเสมอไปและแสดงออกโดยรูปลักษณ์สนะานิสยัยความโน้มเอียงแววของจิตอุปนิสัยและพื้นเพศความประนีตหรือความหยาบของจิต โดยในนี้กรรมจึงเป็นสิ่งไม่สูญหายทำลายได้ยากบุคคลจึงควรสั่งสมกรรมดีให้เป็นอุปนิสัยไว้เมื่อสบโอกาสก็จะได้แสดงตัวออกมาในลักษณะอันน่าชื่นชูใจ